อย่างพิธานทุกท่านเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับพวกเราที่ที่ได้มาตรวจมวลทวี่วัดราจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกนะันเนาะแต่ก่อนจะปฏิบัติธรรมก็ขอพวกเราได้ตั้งใจนะได้ตั้งใจฟนะังแนวทางนะในการปฏิบัติต่อเนานะนะเหมือนเรา เราจะเดินทางมาที่นี่เนาะเราก็ต้องศึกษาแผนที่เนาะเราก็ต้องดูว่าจากบ้านเรามาถึงที่นี่นะเราจะเดินทางอย่างไรนะเนาะแป็นรถส่วนตัวหรือรถประจําทางหรือรถแท็กซี่เนาะเราก็ต้องรู้ว่าจุดหมายที่เราจะเดินทางหรืเดินทางประธารทําทดีทุ่งโรอที่นางพิจิตร์เนนะี้ยจะมานเะลยเต้นทางไหนใช้เวลาเท่าไหร่นะ เราก็ต้องกําหนดนะกาหนดหมายในการเดินทางนะในการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแบบคลๆไม่รู้ว่าปลายทางของเราคืออะไรนะแต่ก็ต้องควรที่จะรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วปลายทางในการปฏิบัติเพื่ออะไรเพราะบางทีถ้าเรากําหนดปลายทางผิดเนาะ คือกำหนดจุดหมายมันผิดนะเราก็จะเดินทางผิดก็ไดนะ้แต่บางคนอาจจะมีเป้าหมายในการเดินทางอาจจะแตกต่างกันเนาะนะบางคนพวกเราคิดยังไงในการปฏิบททัตนะิธรรมบางคนอาจจะคิดว่าเอาแค่แบบให้แค่มีความสุขชั่วคราวนะบางคนอาจจะคิดเช่นนั้น หรือบางคนคิดว่าอยากจะกดับทุกข์โดยทิ้งเชิญนะหรือบางคนก็ไม่รู้แหละนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสนะเป็นเทรน์นะรึ่นใหม่นะเพื่อนฝุงเขาปฏิบัติ ท, ทางกันนะเราก็อยากจะต้องปฏิบัติบ้างนะจะได้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เร้ยว่าบางทีจุดหมายพวกเราไม่ตรงกันนะบางคนนะถ้าไม่หวังค้นทุกข์หรอกท่นานหวังแค่ สุขสบายๆนิดหน่อยก็พอแล้วก็ไม่เป็นไรนะในเรื่องต้นในการปฏิบัติแม้ติดหมายพกเราอาจจะยังไม่เหมือนกันนะแต่นะอย่างน้อยก็ขอให้มันไปในทิศทางเดียวกันก็ยังดีดีกว่าหลงทิศผิดทางนะอ่ายการปฏิบัติธรรมในแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไวนะ้เนี่ยปลายทางทจริงๆก็คือความพ้นจากความทุกข์ พนจากความทุกข oui bon ์ไม่ใช่ว่าเราไม่มีความทุกข so ์ทางกายนะแต่คือพ้นจากความทุกข์ทางใจพ้นแบบไหนก็คือพ้นในการที่ไม่ยึดมั่นยึดถือมั่นว่าเป็นเราเป็นผู้ทุกข์มันมีแต่สภาวะที่ทุกข์แต่มันค้นจะกการยึดว่าเป็นเราเป็นผู้ทุกข์อันนี้คือนี่คือตายทางที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าอันพ้นจากความเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะ เรปฏิบัติเพื่อเพื่อรัตัวตนเนี่ยเพราว่าได้การลัตัวตนนี่ไม่ใช่ว่าปฏิเสธว่าฉันไม่มีตัวตนนะแต่คือการละการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนศนะาสนาภขาเรียกว่ากุปถานนะบางทีบางทีเวลาเราสวดมนต์ธรรมะไปก็จะมีคาว่าตัวตนอยู่บ้างนะเช่นอัตติอั ต, นออตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนะันะ แต่ถ้าเราไปฟังแค่ภาษาานเอาทําไมพระเจ้าพระองนั้นให้มีตนนะให้มีตนเป็นที่พึ่งของตนนะอันน้นคือตนในความหมายที่สมมติเนาะแต่จริงสิ่งที่ท่านปฏิบัติเพื่อให้เราเข้าถึงคือการการละอุปทานการยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนนะเพราะส่วนใหญ่เรายัง ม, ม, ม, นะ ม, ม, ม, มีความยึดมั่นเนาะมีความยึดมั่นในควาเป็นเรามีความยึดมั่นใน ของของเรากระเป๋าของเราโทรศัพท์ของเราบ้านของเราลูกของเรานพ่อแม่ของเรานะเพื่อนของเราคู่ครองของเราเนีมันไม่มีความยึดมั่นแบบนั้นที่จริงถ้าโดยสมมุติมันก็เป็นสมมุติที่เราต้องเกี่ยวข้องนะเป็นสมมุติที่เราต้องเกี่ยวข้องแต่เราจะละการยึดมั่นแล้วเกิดความทุกข์ได้อย่างไรนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติทางแล้วทุกคนต้อง เลิกถือสมมติอันนี้ไม่ใช่ลูกชั้นไม่ใช่พ่อแม่ชั้นไม่ใช่หน้าที่ของฉั้นอันนั้นเป็นการไม่ยึดมั่นแบบแบบไม่แบบปล่อยปากละเลยนะไม่ใช่ว่าการการไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าการปล่อยปากละเลยไม่ทําหน้าที่แต่ทําหน้าที่แล้วนะไม่ไปยึดนะไม่ไปยึดว่าเอาตัวตนของเราเป็นผูกไว้กับหน้าที่เช่นบางคนเป็นพ่อเป็นแม่เนะ เลี้ยงดูลูกอย่างดีที่สุดแล้วแหละแต่ลูกผ p e เออร์ปปรมันก็มีเหตุทําให้เขาไปติดยาทําให้เขาเกเรถ้าเรายังยึดมั่นว่าอันนี้ลูกของฉันไม่ดีนะแต่ว่ายังทุกเรื่องของลูกอยู่ลำไฟใช่ไหมหรือถ้าเราสะบก้็ามาเช่นร่างกายนะเราุส่าห์กินอาหารสุขภาพเราอส่าห์ออกกำลังกายท่านอุตส่าห นะมาปฏิบัติธรรมนะหวังให้จิตใจมันดีร่างกายจะได้ไม่เป็นโรคภัยใก้เจ็บเราก็มีความคิดเช่นนั้นแต่วันหนึง่งพอเราไปตรวจพบ ว, ว่าเราเป็นมะเร็งตรวจพบที่จริงยังไม่ตรวจว่าเป็นมะเร็งนะแค่หมอว่ามีก้อนเนืนะ้อที่ไหนก็จิตตกแล้วนะกลัวเป็นมะเร็งอย่างนะเนะพราะอะไรเพราะเราไมมีความยึดมั่นว่าฉันอุตส่าห์ทําตัวดีตลอดทําไมอนะฉันต้องมีก้อนเนื้อด้วย หรือบางทีก็ววิศว่าฉันเป็นมะเร็งด้วยหรือบางทีเราทําสิ่งดีๆกับคนอื่นแต่พอเขานินทาบ้างพอเขาไม่เห็นความดีของเราบ้างติดเราก็ตกละเพราะอะไรเราไปยึดมั่นถึงมา่ว่าเราอุตส่าห์ทำดีกับเขาทําไมเขาไม่เห็นดีอในสิ่งที่เราทำํำอันนี้นั่นแหละในการปฏิบัติธรรมเราจะทําอะไรให้เรา รักการยึด ม, มั่นถือมั่นตรงนี้ได้เนาะแต่การจะรักความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ได้มันต้องเห็นก่อนว่าการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างไรนะเราต้องกลับมาดูเราต้องถ้าเรายังไม่เห็นว่าการยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ส่วนใหญเราจะไม่ค่อยอยากจะวางหรอกใช่ไหมเราสังเกตดูก็ได้นะเวลาเราเรารักอะไรมากๆนะเ็นความรักตรงนี้นนะมัน มันมีแค่ความสุขอย่ยงเดียวหรือเปล่ามันมีความทุกข์ได้ไหมอันเช่นเราซื้อรถคันใหม่มาเนาะใต้แดงเนี่ยอเอาสังเกตดูสิรถใต้าแดงตอนที่มันออกใหม่ๆกับตอนที่ใช้มาสองปีนความความรู้สึกที่เรามีต่อต้วยกันต่างกันไหมอ่าตอนนี้รถใหม่ๆรู้สึกมันขีดนิดหน่อยก็เป็นทุกข์เนาะ <c oughs> อ่ากำลังกังวลนะแต่พอมีสักพักหนึ่งก็เออ ค่อยวางใจได้ดีขึ้นเนาะอืมอันนี้แหละมันก็เรามีโทรศัพท์ใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะจะวางตรงไหนก็เนี่ยกลัวจะหายแต่พอโทรัพทันตกบุ่ลงมาด้วยนะเขาวางทรไหนก็ไม่กลัวหายล่ะอมืมันก็วางใจได้นะอันนี้คือมันก็วางใจได้ดีขึ้นเนาะืมแต่ต้องเห็นก่อนว่าการยึดมั่นถือมากเนี่ยมันก่อเกิดให้ความทุกข์อย่อะไร แม้สิ่งที่ยึดมั่นเป็นความดีเนาะแต่งทีมันก็ทุกพวกเราสังเกตไหบางทีบางทีเราทุกในสิ่งที่เราทําดีๆเนี่ยแหละนะเราทําการงานอย่างดีหรือเราคิดว่าแนวคิดของเรามันดีมันถูกมากแต่พอคนอื่นเขาไม่เห็นคุณค่าพอคนอื่นเขาคิดต่างเราก็ทะเลาะ ก, กันเพราะเราคิดว่า สิ่งที่เราคิดมันถูกสิ่งที่เธอคิดมันผิดนะสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยดีที่สุดสิ่งที่เธอคิดน่ะก็ดีอยู่แต่ดีน้อยกว่าฉันนะก็เลยต้องตบเพียงเท่ะ ก, กันใช่ไหมอืมนะ่ะก็ต้องการที่คนที่ยึดมั่นในความคิดความเห็นน่ะมันะทุกไหมเราสังเกต ด, ดูนะมันสุขหรือทุกนะอันทุกนะน่ะอันะทุกอันนั้น เราต้องมาเปิดเพือพ่อเรียนรู้ว่าการยึดมั่นคือมั่นอะ่ะมันคือความทุกข์แต่พูดแบบนี้ไม่ใช่เราไม่เราไม่ควรที่จะมีหลักยึดในธรรมะคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนะไม่ใช่นะเออเรามีหลักอยู่แต่เแล้วเราไม่ปล่อยให้ตัวเองไปเชื่อเชื่อแล้วก็เชื่อแบบยึดตายตัวแล้วก็ไปทะเลาะกับคนนั้นคนนี้เนาะอันนี้คือเราต้องมาเห็นทุกข์ตรงนี้ แต่ถ้าเอาง่ายขึ้นส่วนใหญ่นะคนเราสิ่งที่จะทุกข์มากๆ ก, ก็คือการที่เราไปหลงผิดยิดมั่นว่าร่างกายเนี้ยเป็นของเรานะร่างกายเนี้ยที่จริงเนาะเขาแสดงให้เราเห็นตลอดเลยว่ามันไม่ใช่ของเราสังเกตไหมมันแก่เนี้ยห้ามมัได้ไหมนะมันจะเป็นหวัดเนี่ยตรงนี้เป็นหวัดนะอากาศเปลี่ยนนะ เ้ามได้ไหม <c oughs> อืมบางทีบางคืนมันจะน้อยไม่หลับนะอยากจะดับจะตายนะหลับ ม, มันได้ไหมอ่าใช่ไหยอืมแต่จะตื่นแต่เช้าแต่พอถึงเวลาจริงขี้เกียจจะเกินเนี่ยห้ามได้ไหมใช่ไหมอืมตั้งใจว่าเจอหน้าคนนี้แล้วจะไม่หงุดหงิดแต่พอเจอสิไรก็หงุดหงิดทุกทีเลยอ่าหได้ไหมเนี่ยร่างกายของเราเองเนอะอินใจของเราเองเนี่ย ใครคิดว่าต่ามันได้บ้างบางทาจะบองคนคิดว่าเขาต่าได้ต่างให้ยกมือต่างให้เดินนะต่างให้อะไรแต่มันก็มันได้ในเงื่อนไขที่มันทําได้แต่ก็มีอีกหลายอย่างมากที่มันเป็นไปตามเหตุของมันเองนะเราต้องมาเรียนรู้ดูดูความจริงที่เรายึดเนี่ยแหละว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของเราเนะพนะระเจ้าก็เลยสอนให้เรากลับมา กลับมาดูร่างกายนะกลับมาดูร่างกายว่ามันความจริงมันคืออะไรพรนะพุทธเจา้าท่านก็ได้บอกว่าความจริงของร่างกายก็คือมันก้อนทุกข์นะเป็นก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลยนะถ้าเมื่ใดเราเห็นว่าร่างกายีเป็นก้อนทุกข์เนะี่ยเราจะเลิกคิดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้นะแต่เราขอบคุณกายนะที่เราได้มีกายได้เกิดมาได้ทาความดีได้เอาร่างกายนี้มาปฏิบาานะัติธรรมเนี่ย มันขอบคุณแต่มันก็เห็นว่าการไปยึดมันเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะมันมันคล้ายๆมันเหมือนคล้ายๆเรามีโทรศัพท์เนี่ยเราก็รู้ทั้งคุณแล้วก็โทษของมันใช่ไหมเช่นเรารู้ว่าคุณมันใช้ติดต่อสื่อสารใช้ทำการงานได้แต่ถ้าเราเห็นแต่คุณแล้วไม่เห็นโทษอ่ะเราก็จะใช้มันไิเด็กเศษปากเนาะใช้ไปเล่นใช้ไปสารพัด นั้ น, น, นการที่เราเกี่ยวข้องกับกายก็เหมือนกันเราต้องเห็นทั้งคุณแล้วก็เห็นทั้งโทษใช่ไหคุณที่เราใช้ประโยชน์จากร่างกายเราก็ต้องใช้อย่างเป็นที่ให้มันถูกต้องส่วนโทษเองเราก็ต้องระวัาางเพราะถ้าเราไม่ระวัาางนะมันก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์เมื่อร่างกายมันแก่ขึ้นถ้าคนวางใจไม่เป็นนก็ทุกข์เมื่อร่างกายมันเจ็บมันป่วยนะถ้าเราวางใจไม่เป็นมันก็ทุกข์ เมื่อร่างกายมันจะตายยิ่งดิ้นรนใหญ่แต่ไม่อยากตายใช่ไหมมันก็ยิ่งทุกข์เนี่ยดังนะั้นะเราต้องเห็นว่าธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะถ้ามันแก้ไขได้แล้วก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ต้องวางใจอย่างเดียวนะนั้นการปฏิบัติธรรมกลับมาเห็นความจริงของกายก็เป็นอย่างไรเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือความเป็นจริงของใจนี่แหละนะใจเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่มัน แสดงความเปลี่ยนแปลงได้ชัดตัวกายนะกายเนี่ยกลัวจะแก่เนี่ยนะดูวันนี้กับ ว, วันพรุ่ง น, นี้เนี่ยไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะแต่ถ้าไปดูลูกตอนที่เราเรียนหนังสือนี่เนี่ยขนะั้นตอนนี้เป็นไงเออตอนนั้นเป็นก็สาวเนาะเป็นก็สวยเนาะเป็นก็หนุ่มเนาะเป็นก็หล่อเนาะตอนนี้กลับไปดูซิคนเดียวกันไหมชื่อเดียวกันนะแต่หน้าต่างกันนเนี่ยคือ มันจะเห็นยากคืงนานๆมันถึงจะเปลี่ยนแปลงหลายปีที่จริงมันเปลี่ยนแปลงตลอดแหละแต่กว่าจะเปลี่ยนภาพภายนอกเนี่ยมันกดจะชัดเนี่มันนานหลายปีแต่ใจเราสังเกตแต่ละวันเนี่ยบางทีอารมณ์มันเปลี่ยนคือความจริงคืออารมณ์มันเปลี่ยนเร็วมากในแต่ละวันลองสังเกตไหมนั้งจะตื่นขึ้นมาเป็นยังไงเช้านี้เช้านี้ตื่นมากดชื่นปอบ หรือโมงเงียตื่นใจนึงก็คิดว่าอืมก่อนนอนตั้งใจจะมาที่นี่แต่เช้าแต่ตอนตื่นบางทก็ทำไมขี้เกียจแต่เกินนะมีไหมสัง เ, เกตไหมบางทีอย่างวันนี้วันอาทิตนะย์นะยังสบายๆนะแต่ถ้าพรุ่งนี้วันจันร์เนี่ยแต่รู้สึกอืมไม่อยอยากทํางานเลยนะใช่อืมตื่นขึ้นมาก็ไม่เหมือนกันนะอืมตอนจะนอนนาะตอนจะนอน แต่ตอนนี้นอนวันจันีร์อาจจะเครียดนะเรื่องทํางานอก็อาจจะไม่เพลินสบายแต่พอวันศุกร์หรือบางคนอาจจะทํางานสันงเสาด้วยวันสุดท้ายของการทํางานในแต่ละวีคมันจะรู้สึกสบายนะเนาะเพื่อพวกนี้ไม่ต้องไปตื่นทํางานละอืมมันก็จะจิตใจเราไม่เหมือนกันเนาะในแต่ละวันแต่ละเช้าอาจจะเหมือนกันบ้างไม่เหมือนกันบ้างตื่นขึ้นมาทานอาหารก็เหมือนกันบางวันก็ บางครั้งก็ถูกใจบางครั้งก็ไม่ถูกใจนะชอบบ้างไม่ชอบบ้างเจอผู้คนก็เหมือนกันเรามีใครสังเกตไหมว่าเห็นหน้ากันแต่ละคนบางคนเห็นหน้ากต่ใหม่บางคนก็ถูกเพี้ยตาเนาะบางคนก็เหม็นขิ้หน้านะมีไหมมีใครรู้สึกแบบนี้ไหมหรือไม่มีใครรู้สึกแบบนี้เลยเฉยๆเห็นทุกคนก็ดีไปหมดเลย เห็นทุกคนก็หรือบางคนก็อาจจะมีเจตจิตเห็นทุกคนก็ไม่ค่อยถูกเจตตาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราดูดีๆนะบางทีก็มีทั้งคนที่เรารู้สึกว่าเออโอเคแต่ก็มีบางคนที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคทั้งที่ไม่รู้จักกันเลยนะแค่เห็นก็รู้สึกของมันเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องว่าเราคิดปกตินะ หรือไม่ใช่ว่าเรื่องเราไม่ดีนะอแต่มันเป็นเช่นนั้นของมันเองนะมีคนคนหนึ่งนะโทรปรึกษาจะมาเขาก็ไมเรื้อกเขาเห็นเบอร์โทรที่วัดนั้นก็โทรมาเปินันมาเป็นเบอร์จะม า, ะมานะก็ดีนะก็โทรมาประมาณนะั้นอ่ะรู้สึกไม่ชอบตัวเราเองเลยที่คิดไม่ดีนะอ่าคิดอมืมันคิดไม่ดีก็เลยรู้สึก ตัวเองไม่ดีอทำนั้นก็เลยไล่ไปว่าให้ความคิดไม่ดีนะ่ะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพวกเราเชื่อว่าคนเราทุกคนเนะี่ยควรที่ต้องคิดดีหรือว่าทําดีเราเชื่อว่าคนควรจะต้องคิดดีนะ่ะทําดีพูดดีต่อกันและกันพอตัวเองคิดไม่ดีน่ะมันะอยากจะพูดไม่อยากจะทําไม่ดีก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ดี พราะเราเชื่อแบบนั้นแต่พอความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็เลยทุกนะทุกว่าเราไม่ดีที่จริงมันทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าเราคาดหวังกับตัวเองแล้วมันไม่ได้ตามที่เราคาดหวังใช่ไหมทุกว่าฉันจะต้องดีตลอดนะแต่ปฏิบัติธรรมนะโยมนะมันจะเห็นมันจะเห็นอะไรที่มันไม่ดีในใจของเรานี่แหละอ่านะ มันต้องปฏิบัติแล้วเห็นกิเลสนะเห็นกิเลสมันถึงจะรักกิเลสได้นั้นะปฏิบัติทำนะถ้าใครพยายามจะหนีกิเลสนะะอ่ามันไม่ใช่ทางเนาะหรือว่าคนคิดว่าปฏิบัติแล้วจะเอาแต่ความสงบเอาแต่ความสบายไม่อยากเห็นกิเลสไม่อยากฟุ้งซ่านเะนี่ยมันก็เหมือนกับเราพยายามที่จะฉันอยากจะสบายอะแต่ไม่อยากทํางานฉันอยากจะดูไ แต่ไม่อยากเหนื่อยประมาณนั้นนะอืมอาจจะสบายไม่ต้องทําอะไรหรอกนะให้มันทุกอย่างมันดีของมันเองนะจริงปฏิบัติแล้วมันต้องผ่านผ่านการเห็นกิเลสนะแล้วก็เห็นจนกรทั่งเห็นว่ากิเลสมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่อาการของจิตใจอย่างหนึ่งเฉยๆนะแต่ก่อนเราจะเห็นนะเราจะเป็นเหมือนโยมคนที่โทรมาหาจามาแหละก็คือ มันจะรู้สึกว่าเราคิดไม่ดีเรามีเคิดิตเยอะเราเป็นคนไม่ดีแต่พอปฏิบัติเนี่ยหลวงพอคามเขียนถ่าจะสอนให้เราเป็นผู้ดูน ะ, นะอังเกตไหมแต่เราเราเป็นนะเป็นก็คือฉั้นคิดนะฉั้นพูดฉั้นทำนะทำไปแล้วฉั้นไม่ดีนะชั้นมันเดวฉันมันแย่ แต่พอเราเห็นจริงๆมันจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นเพียงแค่อาการอาการที่ใจคิดมันเป็นเพียงแค่อารมณ์ที่มันรู้สึกนะรู้สึกง่วงนอนรู้สึกกดหมูรู้สึกคุ้งซ้านรู้สึกเ ง, ง, ง, งาๆนะสมมติมันจะเห็นเป็นเพียงแค่อาการเมื่อไหร่ที่เราเห็นเป็นเพียงแค่อาการนะ่ะมันจะไม่มีเรานะ่ะเหมือนมีแค่อาการของ ของใจเนี่ยมันตอนนี้ไม่ไม่ใช่เราเนี่ยมันจะรู OK ้สึกว่าเมื่อกี้มันคิดไม่ดีก็เป็นเพียงแค่อาการคิดดีก็เป็นเพียงแค่อาการนะอารมณ์ก็เหมือนกันนะหงุดหงิดก็เป็นเพียงแค่อาการปิติก็เป็นเพียงแค่อาการแต่ถ้าเราไม่เห็นเป็นเพียงแค่อาการนะอ่าไอ้ที่ดีเราก็จะยึดนะไอ้ที่ไม่ดีเราก็จะอยากจะผลับไสหรือว่าอยากจะข่มไว้ แต่การเจริญส ต, ติจริงๆเนะี่ยเราจะฝึกให้เราต่อมาเป็นผู้ดูนะดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกเนี่ยดักของข้อเทียนยนี่นะปฏิบัติให้ดูดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกนะนั้นเวลาปฏิบัติวิธีการเจริญสติเนะี่ยเราจะเป็นคท้ายว่ากายเคลื่อนไหวเนะี่ยก็ส่วนหนึ่งใจ เปผู้ดูกายเคลื่อนไหวมันจะมีสองส่วนนะกายก็เคลื่อนไหวไปนั่งบ้างเดินบ้างนอนบ้างนะปวดเมื่อยบ้างนะนี่คือกายเคลื่อนไหวนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละเราต้องมีใจที่มีสติ ค, คอยดูนะดูเหมือนดูคนอื่นนะให้รู้สึกมนะเหมือนดูดูกายมันเดินดูกายมันหิวดูกายมันง่วงดูกายมันปวดเหนนะือน ดูให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นผู้ดูเอาใจเป็นผู้ดูหรือบางทีมันเกิดความคิดแฝงขึ้นมาก็อืมก็ไอจิตที่คิดเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้ว่ามันเผลอไปคิดเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเหมือนดูอารมมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีตัวดูตัวรู้อีกทีหนึ่งอันนี้คือหลักในการเจริญสตินะพยายามมีสติคือการเป็นผู้ดู ดูกายเคลื่อนไหวมันจะเห็นใจคิดนึกปุ่นแสงขึ้นมานั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนะต้องบางใจให้ถูกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาความสงบนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเอาความดีนะอยากให้มันดีตลอดแต่ปฏิบัติแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นกับไปยกับใจเนะี้ยรู้มันอย่างที่มันเป็นเมื่อเรายอมรับมันได้นะ ที่จริงจิตที่ยอมรับได้เนี่ยมันจะมันจะไม่ทุกข์นะถ้มันปวดก็รู้ว่ามันปวดอะมันคิดก็รู้ว่ามันคิดก็แค่นั้นนะมันจบนะคือเรายอมรับมันได้แต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้นะเราจะทุกข์เนาะเหมือนเราเหมือนเราปวดหัวนะเราสังเกตไหมปวดหัวแล้วเราก็ไม่อยากให้มันปวดหัวเนี่ยอยากให้หายมานทั้งปวดหัวนะแล้วก็ ทุกใจด้วยนะปวดใจด้วยทำไไม่หายทันทีใช่ไหมอืมแต่ถ้าปวดหัวก็ยอมแล้วก็ปวดหัวอาจจะไปนอนพักอาจจะไปกินยาเออมันยังไม่หายก็วางใจไว้ก่อนอาจจะปวดแค่หัวแต่ใจไม่ปวดใจไม่ทุกเนี่ยมันสามารถทำได้เนาะเราไม่สบายอะไยก็แล้วลแต่ให้เห็นมันเป็นแค่เรื่องของกายนะใจก็เป็นส่วนหนึ่งจิตใจก็เหมือนกันนะ ต้องยอมรับตามความเป็นจริเลยว่าปฏิบัติทําแล้วอยากคาดว่ามันจะสงบอย่างเดียวแต่ถ้าใครอยากจะสงบอย่างเดียวนะไปทําสมาธินะทำสมาธนะิไปกําหนดอะไรก็ได้อยู่กับอารมณ์เดียวนะตลอดจิตสงบนะอาจจะทาได้แต่พอออกจะกการทำสมาธิแล้วยมเผชิญกับโล ก, กต่างๆมันไม่สงบหรอกนะเราจะดับหูตับ หลับหูหลับตาทํางานไม่เจอใครไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมันก็ไม่ได้แบบนะนั้นการความสงบเหมือนเป็นการหนีหนีอารมณ์อย่างหนึ่งนหนีไปอยู่ในที่สบายตลอดนะเหมือนเรากลัวความร้อนนะเราก็ไม่หนีอยู่ห้องแกรตลอดนะอืมแต่ชีวิตจริงเราจะอยู่ห้องแกรตลอดได้ไหมชีวิตจริงของเราจะอยู่กับความสงบตลอดได้ไหม มันอยู่ไม่ได้นะอแต่บางครั้งมันไม่ไหวจริงๆก็แอบมาพักกับความสงบบ้างก็ได้นะอืมแต่ต้องรู้ว่าหน้าที่จริงๆเราต้องกลับมาเรียนรู้นะอยู่กับชีวิตจริงของเราเนาะดังนั้นเวลปฏิบัติธรรมแนวจะิตติสติเนี่ยหลวงพ่อท่านจะสอนว่าเอย่าไปติดความสงบสงบเกิขดขึ้นก็รู้ว่ามาสมงบนะรู้ว่าสงบนะแต่ถ้าเราติาาสดสงบเนี่ยเราอย่าติดอยู่ แต่ก่อนแตมาก็เคยติตสงบนะทําดูลมหายใจนะดูไปแล้วมันจิตมันสบงบลมหายใจก็สงบนะก็ไปอยู่กับมันแต่กําลังจริงๆมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกไม่กี่ชั่วโมงมันก็มันก็จะถอนลงมาพอมันปวดขาเจ็บมากๆสมาธิมันก็อ่อนลงมันก็เลิกสงบของมันแต่เราก็ยังมีความติดใจฉันอยากจะสงบแบบนั้น ตอนนั่งเมื่อไหร่ก็ตั้งเป้าเลยนะต้องสงบนะถ้าวันนี้สงบนะ่ะคิดว่าจะเองดีวันนี้ไม่สงบคิดว่าจะเองแย่มันจะเกิดตรงนีน้มันจะตั้งเป้าไว้ทําได้ก็ว่าดีทำไม่ได้ก็ว่าแย่นะแต่การปฏิบัติแบบเจริญปตินะทิ้งไปเลยจนะสงบหรือไม่สงบไม่เป็นไรจะดีหรือแย่ก็ไม่เป็นไรรู้อย่างที่เขาเป็น นะที่เขาเป็นคืออะไรกิเดสที่เราเก็บไว้ในใจนี่แหละนะมันอยู่ในใจมาไม่รู้กี่พักกี่ชาติการที่รู้อย่างที่เป็นก็คือปล่อยให้มันฝุดขึ้นมาเลยแสดงขึ้นมานะแสดงตัวตนที่แท้จริงของแกออกมา <c oughs> เราจะได้เห็นนะเห็นมันตามความเป็นจริงะให้มันฝะนะุดขึ้นมาเลยอะไรก็ได้เกิดขึ้นมาเราจะได้รู้จักมันอย่างที่มันเป็น อันนี้อันนั้นเวลาปฏิบัติทำเนาะวางใจไว้ว่ามันไม่สงบก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ดีก็ไม่เป็นไรเราจะรู้อย่างที่มันเป็นนะแต่รแรกๆเนาะอย่เพึ่งไปสนใจไอ้ตัวความคิดอรือกิเลสในใจมากเรื่องต้นเลยให้กลับมาสนใจไอที่มันชัดๆก็คือการเคลื่อนไหวของกายนะ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเครื่องอยู่ของเรานะ เพราะถ้าเราไปเน้นดูความคิดไปดูอารมณ์เนี่ยบางทีมันจะโดนโดนดึงไปไดง่ายเพราะว่ามันละเอียดนะหรือบางทีมันก็มีคล้ายๆความความย่อยวนไดง่ายนะรแรกๆเนี่ยให้เรากลับมารู้กับการเคลื่อนไหวของกายเป็นหนักก่อนกายเราเคลื่อนไหวอะไรก็พยายามตามรู้รู้ก็คือดูนะกายยกมือก็รู้สึก ถึงการเคลื่อนนะกายหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกถึงการเคลื่อนของลมเข้าลมออกเนาะกายนั่งก็รู้สึกถึงการนั่งนะให้รู้สึกโดยภาพ ร, มรวมๆนะไม่ใช่ไปจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกไม่ใช่จดจ่ออยู่ที่ป่าเท้าเวลาเดินไม่ได้จดจ่ออยู่ที่มือที่เคลื่อนไหวไม่ได้จ้องอยู่ที่ใดเนาะเหมือนคล้ายๆเราถ่ายรูปอะ เราไม่ต้องไปปรโฟกัสที่ใบหน้าอย่างเดียวแต่เราถ่ายเป็นภาพรวมๆการกลับมาดูตัวเองก็เหมือนกันดูแบบตรวมๆนะอคล้ายๆอาจจะต่างในการเราดูกระจกข้างในบางทีเราดูกระจกเนาะเราอยากจะดูหน้าตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองของตัวเราเนาะแต่ถ้าเราดูไกลๆสักหน่อยมันจะเห็นทั้งตัวใช่ไหมเห็นทั้งตัวแต่เราดูกระจกบางทีอยากจะดูแต่หน้าว่าหน้าฉันเป็นแบบไหนอ่า แต่นี่เรากลัมาดูตัวเองดูทั้ตัวดูกายทั้งกายกำลังนั่งดูกายทั้งกายกําลังเดินดูกายทั้งกายกําลังยืนนะแต่มันก็จะมีความชัดเจนในบางส่วนเนาะเช่นเราเดินอเป็นมีความชัดในการที่เอาที่ร่างกายส่วนล่างหรือเรานั่งก็มีความชัดในการเคลื่อนไหวมืออย่างแน่นอะนอะ่าหรือบางคนดูลองหายใจก็มีความชัด ในลมที่เคลื่อนเข้าเคลื่อนออกมันจะมีมันจะมีเห็นทั้งภาพรวมแล้วก็เห็นทั้งส่วนย่อยเนาะนั้นปฏิบัติแบบเจริญสติเนาะมันจะดูแบบรวมๆนะดูกายก็เคลื่อนไหวแล้วไม่ต้องตกใจนะทําไมเช่นเดี๋ยวจะสอนยกมือท้าจังหวัดสิบสี่ท่าทําไมมันใจไม่อยู่กับสิบสี่จังหวัดทั้งหมดเลยแต่ก็หลงไปที่อื่นบ้างก็ไม่เป็นไร หลงไปแล้วก็กลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวร่างกายใหม่เดินก็เหมือนกันเดินบางทีใจก็บอยไปที่อื่นก็ไม่เป็นไรก็กลับมาอยู่กับการเดินใหม่หรือบางทีเอ๊ะไม่ได้รู้แต่ไม่ได้รู้แต่อันนี้อย่างเดียวบางทีก็รู้ลมหายใจด้วยบางทีก็รู้ตล ง, ง, งที่สัมผัส ด, ด้วยก็ไม่เป็นไรนะมันจะรู้อะไรก็ได้ที่มันเป็นจริงนะเออเป็นจริงในปัจจุบนนะันเนาะแต่เรามีอย่างหนึ่งที่เราทําเป็นหลัก มันเหมือนเรามีอาชีพหลักแต่เราก็จะมีอาชีพรองอาชีพเสริมมีงาน อ, างอื่นเสริมเนาะอันนี้คือเราก็ทํางานของเราเป็นหลักเช่นปฏิบัติธรรมเนี่ยการทำธรรมฐานก็คือเหมือนให้เรามีหลักทาสักอย่างนึง่งนะมันพอเรามีงานหลักเนี่ยรู้สึกไหมชีวิตเราจะมั่คมนคงเนา ะ, นะแต่ตอนไหนที่เราจะไม่มีงานเนี่ยชีวิตเราจะรู้สึกเหมือนมันไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ หรือทำงาน freelance ก็ดีนะบางทีช่วงไหนไม่มีงานนะก็จะรู้สึกว่าฉันจะมีกินหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหแต่ถ้าเรามีงานหลบักษ์งานนึงเนี่ยรู้แน่ว่าเงินเดือนออกมีเงินใช้มีเงินใช้อะไรไปหนี้ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็ <c oughs> มันก็จะมีความรู้สึกว่ามันมั่นคงพอเรามีกรรมฐานทักงอย่างเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นมานะกลับมารู้สึกตัวอะ กลับมารู้สึกตัวรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจเนี่ยคือการกลับมารู้สึกตัวคีย์เวิคีย์เวิร์ดของการปฏิบททัติธรรมนาะจะมีคําเนี้ยกับว่ารู้สึกตัวนะกลับมากลับมาดูตัวเองนั่นแหละแต่ว่ากลับมารู้สึกตัวอะไรจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่นะกลับมารู้สึกตัวสลวงพ่อความเขียนต้อบอกว่าการกลับมารู้สึกตัวเนี่ยแก้ได้ทุกอย่างนะ เป็นทั้งเบื้องต้นในการปฏิบัติทางการในการปฏิบัติหรือท่านไปปลายก็เหมือนกันก็รู้สึกตัวตลอดเลยสามารถทำได้นะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อว่าแค่รู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอเหรอไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะแต่อยากให้เราลองดู <c oughs> ลองดูว่าถ้าเรารู้สึกตัวตลอดหรือรู้สึกตัว มากมากเนาะนะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนนะลองเรามาทําดูนะอยากจะท้าตายพวกเราว่าให้เราลองทำความรู้สึกตัวนะนะวันนี้พวกเราก็จะมาทําความรู้สึกตัวนะกับการดูกายที่เคลื่อนไหวรู้สึกตัวในการรู้ทันใจที่มันเผลอเผลอออกไปนะเนะี่ยกลับมาทำความรู้สึกตัวแล้วลองดูว่าวันนี้นะ ปิดใจเราเป็นแบบไหนบ้างร่นะางกายเป็นแบบไหนบ้าง้องกลับมารู้สึกตัวเยอะๆเนาะผ่านรูปแบบที่เรานั่งบ้างที่เดินบ้างหรือว่าผ่านพิยบดย่อยๆเข้าห้องน้ำทานข้าวบ้านะกลับมารู้สึกตนะึงร่างกายที่เคลื่อนไหวกลับมารู้ทันใจที่คิดนึกตุงแต่งนะคือนะการกลับมา รู้สึกตัวเนาะถือว่าวันนี้ให้พวกเรากลับมารู้สึกตัวให้มากที่สุดเนาะน่ะหลงไปด้เมื่อไรก็กลับมาใหม่น่ะลงไปเมื่อไรกลับมาใหม่กลับมาตั้งใหม่ที่ปัจจุบันถนัดให้ได้เยอะๆมากที่สุดเนาะนีะ่แหละคือหลักในการภาวนาของเราอ่าในที่นี้มีใครที่ที่ยังไม่เคยฝึกน่ะก็เจอสติแบบแนวหลงพ่เทียนรึาไหมเด็กมือหนักสูงสูงเนาะ หลายคนอยู th ph ่เนาะมีหลายคนก็เคยฝึกมาแล้วเนาะไปปฏิบัติแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันว่าสําหรับคนที่เคยฝึกปฏิบัติแล้วเนาะก็คิดว่าตัวเองอไม่ต้องตังเบติกเบื้องต้นหรอกนะเดินขั้นบนนะไปไปเดินจงกรมหรือว่าเอาอัตนะไปนั่งอปฏิบัติก็ได้เนาะ เดี๋ยวประมาณ11โมงนะค่อยค่อยกลับลงมาที่ตรงนี้นะประมาณชั่วโมงหนึ่ง่นะที่ชั้นชั้นสี่นะน 4, นะมีห้องลงโล่ให้เราได้ปฏิบัติก็ขอให้เราได้ตั้งใจปฏิบัตินะถือว่าพวกเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติแต่ก็กลับมาส่วนคนหม่เดี๋ยวก็จะให้พระอาจารย์ตุ้มท่านแนะนํานะในการปฏิบัติ การทาําำขึกตัวกับการเคลื่อนไหวติตีท่าหรือการเน้นจมกมนะลมเนาะอาจจะไม่ได้นะคนเก่ามีสองชั้นเนะนนะ ไ, ได้หม ด, มดอาจจะนัดไปด้วยก็ได้ไดไดแต่ถ้าคนเก่าอยากจะอยู่นะ่ะทบทวนอีกทีก็ได้นะอนะนะ่เก่านานแล้วนะหรือเก่าแล้วขี้เกียจนนะมาส่วนใหม่ก็ได้นะ คนไปบัตรข้างบนก็ตั้งชจเป็นบันเนาะไม่เงียบไม่พุ่งตของเต้น